พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สามสสองสุตตันตปิฎกขุทธกานิกายอัปะทานภาคที่หนึ่งพระไตรปิฎกเล่มนี้แสดงถึงประวัติการบำเพ็ญคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าพระปจเจกพะพุทธเจ้าและพระสาวกต่างๆรวมทั้งสิ้น412ยเรื่องเป็นประวัติการทำความดีของพระพุทธเจ้าหนึ่งเรื่อง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 ได้ปรารถนาการตรัสรู้ต่อพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทั้งหลายได้นามสการ์สิบนิ้วซึ่งพระผู้เป็นนายกของโลกทั้งหลายพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ได้อภิวาท ด, ด้วยเสียงกล้าวนอกจากนั้นยังแสดงถึงการที่มีพระหารุไทยนึกน้อมถวายทานมีความเลื่อมใสบูชาพระพุทธเจ้าและพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้า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 รั้แล้วตรัสแสดงคุณงามความดีต่างๆตามทํานองแห่งคัคควิสานสูตรที่ได้เคยย่อไว้แล้วเรื่องที่สสาริปุตตะเทราประธานข้ออ้างหรือประวัติของพระสาวรีบุตรข้าพเจ้าหมายถึงพระสาวรีบุตรได้สร้างอาสมสร้างบรรณาศาลาณเวลามพระบรรพศ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 เป็นการเริ่มต้นที่สำคัญยิ่งในประวัติของท่านเรื่องที่ 6. พุทธาประทานข้ออ้างหรือประวัติของพระพุทธเจ้าในที่นี้จะนำพุทธาประทานอีกบทหนึ่งอันมีชื่อว่าปุพภกรรมะปิโลติกกแปลว่าท่อนผ้าเก่าแห่งบุพพกรรม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 จึงไม่ได้ดื่มตามต้องการสำหรับเรื่องนี้อยู่ในมหาปริญพานสูตรพระผู้มีพระภาคทรงใช้พระอา น, นุ์ไปตักน้ำพระอานนุ์ไม่ตักกลับมากราบทูลว่าน้ำขุนต้องตรัสย้ำให้ไปใหม่พอพระอา น, นุ์ไปตักครั้งที่สองน้ำกลับใสดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเคยเป็นนักเลง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 เป็นนักบวชหญิงถูกพวกเดรธีใช้ให้ทําเป็นบอกใครต่อใครว่าจะไปค้างคืนกับราสมณกโคดมแล้วไปค้างเสียที่อื่นรุ่งเช้าก็ทําเป็นเดินทางมาจากเจตาวนารามที่ประทับพออีกสองถึงสามวันพวกเดรธีก็จ้างนักเลงไปฆ่านางสุนทริกาเป็นเชิงให้เห็นว่านางถูกฆ่าเพื่อจะปิดปากคนก็สงสัยว่าอาจจะจริง